เหตุไรรุกรานพระสุทินด้วยคำว่าโมคะบุรุษเล่าราชาสมเด็จพระมกษัตริย์จึงมีพระราชองค์การถามอัธปัญหาสืไปเล่าว่าพันเตนาคเสนาสัทุสะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้ปรีชาชาติพรหมจารีรุ่งเรืองในศีลพาสิตังเจตังถ้อยคำอันนี้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 ค่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาซึ่งว่าคนกระทำโทษผิดนั้นจะได้รับรางวัลเงินทองหาบอ่ไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาไม่มีเลยพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรถ้าแม้ว่าบ่อพิษมีพระราชโองการตรัสชนีกิริยาที่พระมาหากรุณาตรัสเรียกพระสุทินนั้น